เมื่อวันวันที่25้าพฤศจิกายนพุทธศักราช2555ัเ25มื่อวานสมโพธิเยดีวัดหลวงปู่เพียนแล้วก็พร้อมกันก็มีการถวายผ้ากระถิ่นพี่น้องประชาชนศรัทธาญาติโยมก็เยอะพอสมควรเมื่อวาน มากกว่ากระถินทั่วๆไปแล้วก็คืนวันที่24มีการสวดมนต์เย็นมีการสมโภชแล้วก็พอสวดเสร็จแล้วก็เขาในมนลหลวงพ่อเป็นองค์แสดงธรรมหลวงพ่อก็ได้ขึ้นไปเทศเมื่อวันที่คืนวันที่24 25ก็มีการตักบาตร ไม่ได้ตักบาตรแต่วันเมือมอมอม่อวาฝ น, นตกอย่างแรงนะตกมากมากๆเลยจนขยับขยื่อนจากสล า, าไม่ได้พระก็อยู่สล า, าหลวงพ่อก็เลยประกาศเออขอในมนฑลกรุบาจารย์พระสงฆ์ประจําที่รับประเคีนอาหารเลยนะไม่ต้องบินทบาทพ่อบินทบาทการถ่ายเทยอาหารออกจากบาตรแล้วก็พี่น้องประชาชนใส่บาตรเปียกปอนไปหมด ร่มกองเราอะไรก็ไม่มีเอาถวายอาหารเลยเมื่อวานก็เลยจัดอาหารถวายที่สล า, าเลยไม่ได้บินเท่าบดเพราะฝนตกอย่างมากหลวงพ่อก็เลยบอกเออเนี่หลวงปู่เพียรในท่านชอบน้ําเห็นไหมสะในวัดของท่านนี่ที่ดินร้อยเปอร์เซนต์ในท่านขุดเกือบครึ่งขุดเป็นสะน้ําให้ปลายอยู่ให้นั่นเนี่ย ท่าหัวน้ําแห้งท่านยังสูบน้ํามาจากแม่น้ําเข้ามาในวัดของท่านอีกสมัยนเงินห้าหกหมื่นหาได้ที่ไหนหาได้ยากหลวงปู่ท่านยังลงทุนสูบน้ําจากแม่น้ําขึ้นมาใส่สะของท่านอีกเ อ, อเพื่อรักษาปลาท่านชอบปลามากปลาของหลวงปู่เพียรไม่ใช่ธรรมดานะเ อ, อกินหมูยอกินไข่ทอดนนเนาะเวลาไปบิณฑบาต ไปรับในมนที่ไหนมาเนี่ยหลวงปู่ท่านจะรวบรวมพวกหมูยอพวกไข่ทอดพวกอะไรพอมาถึงแล้วก็หวานลงไปโอ้อาหารปลาใช่ไหมนะมันก็กินเชียอริอร่อยท่านก็เห็นปลากินท่านก็สงสารปลามันอยู่ในน้ำท่านก็รักปลาของท่านเหมือนกันนะขนมาให้เนี่แหละ เพราะท่านชอบน้ำํำชอบความชุ่มชื้น่งานศพของท่านกับฝนตกโอ้โหไม่ใช่ธรรมดาเหมือนกันพอเมื่อวานนี้ก็เนี่ยสมโพธิเจดีของท่านกับฝนตกดูไม่จือดอีกเหมือนกันฮแต่วันน่ไม่เห็นตกเนี่ยเพราะมันตกหลวงปู่เพียนคงจะให้ฝนตกมากเมื่อวาน่ะเพราะฉลองเจดีของท่านฮะ ก็เลยพี่น้องประชาชนก็รู้สึกว่าเปียกปอนไปพอสมควรเมื่อวา น, นพอฝนตกมันอยู่ในเต้นทั้งอยู่ในสละ ก, กแ็แคบแคบนะพอเสร็จเมื่อวานาสมโพธิเปิดตัดลิฟบิ้นเสร็จเรียบร้อยแล้วก่อ น, นย่ำคล้องกลองละคัง เ, เสร็จแล้วก็สวดเซยันโต ประพรมน้ำพระพุทธมนต์ก็เป็นเสร็จพิธีเมื่อวานก็คนก็เยอะอยู่แต่ตัวปัจจัยก็รวมสมทบเมื่อวานได้สองล้านมัง้งเป็นสองล้านเมื่อวานจากนั้นพอเสร็จแล้วลูกพ่อเขาไปไประชุมที่วัดป่าบ้านตาดไปไประชุมหารือเกี่ยวกับทีวีวิทยุของหลวงตาที่เขาจะให้จดทะเบียนก็สิ้นสุดวันที่17 ทันวาที่จะถึงก็เลยประชุมหารือกันตั้งแต่งตั้งคณะกรรมการขึ้นมาชุดหนึ่งเพื่อจะได้รับผิดชอบทีวีวิทยุส่วนวิทยุเสียงธรรมเพื่อประชาชนอีกกลุ่มหนึ่งตั้งอีกกลุ่มหนึ่งงูวานหารือกันแต่คณะกรรมการไม่ครบเมื่อวานก็เลยไม่เอกฉันกวอนจะกลับมาได้ก็โอ้าโมงเย็นเมื่อวาน มาถึงวัดกเกือบสองทุ่มนี่แหละภารกิจของหลวงพ่อแต่ละวันที่พูดให้ฟังกับเพื่อให้ลูกหลานได้รู้ได้ทราบว่าเป็นพระสองฆ์องค์เจ้าก็ไม่ใช่ว่าจะนอนอยู่ในวัดอย่างที่เขาคาดคิดจากชาวบ้านท่านก็คิดจะทำยังไงล้วนแล้วแต่คิดเพื่อชุมชนสังคมทั้งนั้นแหละ อย่างวิทยุโทรทัศน์เพื่ออะไรก็เพื่อถ่ายทอดธรรมเทศนาให้พี่น้องประชาชนได้ฟังได้ศึกษาถ่าว่าพี่น้องประชาชนได้ฟังธรรมะคนที่มีธรรมในใจมีศีลมีธรรมในใจจะทําความชั่วสิ่งไหนก็เมีหยงฮิริคือความละอายโอตระปาคือความกลัวต่อบาปเ พ, ออเพราะเหตุไรเพราะ คนได้ศึกษาธรรมะรู้ธรรมะรู้ผิดรู้ถูกรู้ดีรู้ชั่วรู้บาปรู้บุญรู้คุณรู้โทษรู้สิ่งควรไม่ควรนีคนได้ศึกษาธรรมะทำคําสอนของพระพุทธเจ้าแล้วจะไปในลักษณะอย่างนั้นเมื่อคนมีหินิโอตปะรู้ดีรู้ชั่วแล้วความมั่นคงก็มาเองแต่ทุกวันนี้คนมันรื้อด้านหานกล่าว หลวงป่าก็พูดไปดื้อด้านอีกต่างหากแล้วอยู่กับในอยู่ในชุมชนใดคนขาดศีลธรรมมากๆในยุคนั้นสมัยนั้นก็เดือดร้อนวุ่นวายเพราะเหตุใดเพราะคนขาดคุณธรรมศีลธรรมจริยธรรมเพราะนั้นเรื่องสถานีวิทยุของหลวงตาเนี่ยมีแต่ครูบาอาจารย์องค์ไหนออกมาเทศมาสอนก็มีแต่สอนลูกหลาน อย่าไปทำความชั่วนะให้เขารู้จักเขารู้จักเราถ้าเราไปทำให้กับเขาเขาก็เดือดร้อนไปทำความชั่วให้กับเขาถ้าเขามาทำให้กับเราละ่ะมาตีหัวเรามาฆ่าพี่น้องลูกหลานของเราละ่ะมาหลังแกเบียดเบียนลูกหลานของเราวงสากณาญาติของเราละ่ะเราเดือดร้อนไหมหรือเราดีใจทุกคนก็ต้องว่าเดือดร้อนถ้าเขามาทำผ่านและชนเรียกว่าคนผ่าน โจรผู้ร้ายมาหลังแกเบียดเบียนเราเราก็เดือดร้อนนะถ้าเราทําตัวไม่ดีเป็นนักเลงหัวไม้การแกล้งแล้วไม่มีฮิลิโอตปะโคดโกงแย่งชิงใช้อํานาจวาชนาเบียดบางคนอื่น่ะเข า, าเป็นยังไงเขาเดือดร้อนไหมเขาก็เดือดร้อนเขาก็ทุกข์ใจเพราะนั้นก็รู้ทั้งสองอย่างแล้วว่าการกระทําให้กับเขา เขาก็ทุกข์ใจในทางที่ไม่ถูกต้องถ้าหาว่าเขามาทำให้กับเราเราก็ทุกข์ใจอีกเหมือนกันเพราะเหตุใดเพราะเขามาเบียดเบียนหลังแกเราแต่ว่าถึงยังไงโลกนี้มันก็ต้องมีกฎกติกาแต่กฎกติกานั้นถ้าหากว่าเป็นกฎกติกาที่มีศีลมีธรรมไม่ใช่ว่าคนมาก ก็จะดีทีเดียวก็ไม่ใช่้าคนมากเป็นพาลชนคนคนพน่คนพานมากคนชั่วมากเขาก็มีต้องตั้งกฎกติกาขึ้นม า, าใช้อำนาจาในคนหมู่มากนั้นก็ไปทำความชั่วยิ่งเสียหายมากอีกเพออรรเพราะาคนชั่วทำความชั่วมากถ้าว่าคนดี มีจริยธรรมมีศีลธรรมดีมากไปทําก็ยิ่งมีคุณค่ามีประโยชน์มากเพราะเหตุไรเพราะว่าคนกลุ่มนั้นเป็นสัมมาทิตฐิมีศีลธรรมมีจริยธรรมเมื่มประจําใจจะทําอย่างไงก็ไม่ทําเพื่อจะเบียดเบียนตนและผู้อื่นถ้าว่าคนชั่วเสียหายทําล่ะก็ทําให้เสียหายอย่างมาก แต่ว่าคนกลุ่มมากลังเกลังแกคนคนน้อยมันบาปกรรมจะมีไหมมันก็มีเหมือนกันนะในชาดกในครั้งพุทธกาลท่านปา ร, รบถึงพระองคุคริมานนะพระองคุริมานท่านไปตัดคอคนไม่ใช่ก้าร้ยเก้าสบ้านะถ้าดูดูแล้วมันปันพันกว่านะเพราะว่า ใหม่ๆพอตัดคอเสร็จแล้วก็เอาเนิ้วไปซุกไว้ใต้ดินบ้างกบดินไว้บ้างเอาไปเน็บไปในกิ่งไม้บ้างเอาใบไม้กบไว้บ้าง เ, เมื่อกลับมาหามัญหาไม่เจอท่นนเนเพราะมันคนไม่มีสมาธิจะหาเจอได้ยังไง ใ, ใจมันร้อนอยู่ตลอดอยู่แล้ว เ, เมื่อไปขอนิ้วมือเขาท่าคุณครับผมขอนิ้วมือหน่อยครับ เขาจะให้อย่างไงนิ้วมือทางนิ้วมือก็ไม่ให้โออยไปให้ได้ไงนิ้วมือตัดคอตัดคอก็ตัดเอานิ้วมือนิ้วหนึ่งจะเอาไปบูชาเรียนวิชาจากอาจารย์นะนิ้วมือทางภาษาอีสานคนแล้วไปตั้งคายตั้งคายเขาบ่าไปตั้งขันตั้งคายเพื่อจะเรียนวิชาจากอาจารย์นถ้าภาษากลางเขาบอกเอาไปยกครู เพื่อจะเรียนวิชาจากอาจารย์เมื่อได้นิ้วมือพันหนึ่งแล้วอาจารย์จะให้ประสิทธิ์ประสาสวิชาที่ว่าไม่เคยมีเลยที่จะให้องค์คุริมานที่แท้ก็คืออยากจะฆ่าองค์คุริมานนั่นเองวางแผนฆ่าตัวเองจะฆ่าก็เสียเกียรติศัพชื่อเสียงให้คนอื่นฆ่าดีกว่าไปฆ่าคนทั้งพันขนาดนั้นเลยเก่งขนาดนห้นขอต้องฆ่าแนๆ่ๆนี่แหละอันนี้ก็คืออาจารย์ที่เป็นอัคติ อาจารย์ไม่มีศีลธรรมไม่มีคุณธรรมศีลธรรมจริยธรรมในใจเป็นเป็นพาละชนะเพื่อจะให้คนอื่นฆ่าแทนตนเองอแต่ในองคุลิมานก็เป็นคนซื่อสัตย์สุดจริตเป็นคนจงรักภักดีต่ออาจารย์เมื่ออาจารย์บอกให้ทำายังก็ทำเพื่อจะจะได้วิชาเพราะอาจารย์ขยันขยอยผลที่สุดก็ฆ่านะ ังนิ้วมือตั้งเก้าร้อยเก้าสิบเก้านิ้วอยู่ในคอก็ต้อเองเอาเชือกมัดมัดมัดไข่คอไว้อันนั้นเรียกว่าองคุริมานองคุรีก็คือนิ้วมือองคุรีโจนก็คือองคุริมานโจนโจนที่มีนิ้วมืออยู่ในคอเก้าร้อยเก้าสิบเก้านิ้วฮะแต่ยังขาดอยู่นิ้วเดียวฮะองคุริมาน แต่นี่ก็พบพระองค์ไปโปรดะก็เป็นที่รู้กันแต่ในบุพกรรมกรรมเก่าขององคุริมนันแต่พวกเราไม่ค่อยได้ยินแต่พอจบแล้วก็จบไปแต่กรรมเก่าขององคุริมานทำํำไมองคุริมันจึงไปฆ่าคนเหล่านั้นพระพุทธเจ้าท่านยกเป็นชาดกขึ้นมาในอดีตชาติในอดีตชาติองคุริมันเป็นควายป่า สมัยนั้นอาวุธยุดโภปกรณ์มันก็ไม่เก่งถึงขนาดนี้มีแต่พวกธนูมีหน้าไม้มีแรวดักทั่นเองแต่ี้ควายสัตว์มันก็อยู่ในป่าแต่ี้พอหน้ามันสัตว์มันก็มารบกวนควายบ้านพอมันรบกวนควายบ้านชาวบ้านหลายหมู่บ้านก็เอาควายป่ามันมาอารวัสควายบ้านไล่ขวิดอควายบ้าน ควายบ้านก็แตกก็จึงกระจายฮพราะควายป่ามันกําลังมันดีกว่าฮ้ยผลที่สุดก็ชาวบ้านก็เลยประชุมหาหรือกันทําเป็นคอกเลยเอทําเป็นคอกเสร็จแล้วก็ทําเหมือนกับเรียวๆเหมือนกับกลวยเนี่ยเอาไว้ทั้งสองข้างแต่นี่นก็ทําเป็นคอกอย่างดีพอเสร็จเรียบร้อยแล้วก็ ไล่ควายบ้านเนีเข้าไปอยู่ไว้ในคอกให้แน่นหนาจากนั้นควายป่าตัวนี้ก่อนมันก็มาวนน่ะมันมันจะเข้ามาหาควายบ้านแต่เนี่ยมันก็วิ่งลอกลอกไปมันก็วิ่งเข้าไปในกลวยแฮ่พอปากกลวยมันปากกว้างฮ่มันก็วิ่งเข้าไปค้นก็สกัดสกัดทั้งปากไม่ให้มันออกมาได้ฮ่มันก็กลัวคนวิ่งไปหน้าเรื่อยวิ่งไปหน้าก็สุดช่วยลวยแลมไป ไปจนถึงปลายกลวยมันก็เขาทำให้แข็งแรงไควายตัวนั้นก็เข้าไปในจุดนั่นเอาไม้เลียงทำเป็นรั่วแล้วก็เอาเถาหวายมัดให้แข็งแรงควายมันก็วิ่งเข้าไปมก็หมดท่าเลยทีนี้ไปอยู่ในนั่ น, นชาวบ้านทั้งหลายหมู่บ้านไห่หอกไคแหลนหลาไม้ไผ่ไม้ลวกไม่ท้วน ออกดาเปรกก็เลยลุ่มกันไปก็เท่มแทงเลยควายตัวนั้นก็เลยตายแต่ก่อนที่จะตายมันก็ตั้งจิตไว้ผูกพยาบาทอาคาดไว้นะ่ยทีนี้ เ, เกิดพบหน้าชาติหน้าข้าเขาไม่ได้ทําอะไรให้สูญเจ้าเกิดพบหน้าชาติหน้าขอให้ข้าพเจ้าได้ฆ่าพวกนี้ทุกคนเนอะควายก่อนมันตายไนะอก่อนมันตายมันผูกพยาบาทอาคาดเอาไว้ จากนั้นมันก็เลยพวกถูกพวกนี้แทงมันก็เลยตายตายมันก็ใช้กรรมใครกรรมเราแล้วเะนี่พอมางวดจุดท้ายเนี่องค์คุริมาณท่านก็จะได้สาเร็จเป็นพระหรหันเถอะนี่ความพยาบาทอาฆาตตัวนั่นก็ยังมีอยู่ฮะความจองเวรจองกรรมมันยังไม่จบกันยังไม่ล้างกระดานไงผลสุดมาชาตินี้องค์ุริมาณก็เลยล้างกระดานพวกที่ไปทําให้กับท่าน จะทำให้เป็นควายป่านะีอันนี้ก็คือมาในมาในพระไตรปิฎกมาในพระสูตรนะอันนี้คือคือบาปกรรมของพระองค์ุลิมานเป็นบาปเป็นเวรกับคนที่องค์ุลิมานถูกฆ่าแต่ที่แท้ก็คือพวกนั้นเคยฆ่าองค์ุลิมานมาแล้วเพราะนั้นองค์ุลิมานเช็คบินคืนเพราะเวรมันยังมันยังมีอยู่นะแต่ชาตินี้เป็นชาติสุดท้าย ขององค์คุริมานแต่ตามไม่จริงน่าจะหย้อนย้อนกันลงพ่อว่านะเพราะจะไงยังไงองค์คุริมานก็จะบทกิเลสในชาตินี้อยู่แล้วน่าจะย้อนย้อนกันกรรมกรรมเวนมันไม่ย้นด้วยได้สินะีะมันผูกกันไว้แล้วนะมันก็เลยใช้ไปตามเหมือนกับเข็มนาฬิกานะมันก็เดินเดินตามเวลาของมันพนอะเวดถึงตรงไหนมันก็ผ่านไปผ่านชั่วโมงผ่านนาทีไปเรื่อยเนะ อันนี้ก็จบองค์กุริมานก็พ้นทุกไปแต่พวกนี้จะทํำยังไงเไอ้พวกที่ถูกฆ่าแล้วไปฆ่าองค์ุริมานไม่ได้แล้วีิองค์กุริมานพ้นทุกแหละเหมือนกับข้ามฝั่งไปอยู่แดนอังกฤษเะเอยกรมมันคงไม่มีเรือตามหรือมั้งไม่มีเครื่องบินตามไม่มีจรวดตามอีกตั้งหากไอ้กรมมันอยู่ฝั่งนี้มันก็เหมือนกับหมาล่าเนื้อน่ะไล่ไปไล่มามันหายไปไหนมันข้ามฟากอะไรนีิ ผลที่สุดก็เลยเป็นโอโหสี่กรรมกรรมให้ผลสำเร็จคล้ายๆกับว่าจบเกมกันเพราะว่าองคุริมาณข้ามฟากไปแล้วเป็นอามาตะาธาตุอมาตะธรรมเป็นพระหานแล้วกรรมทั้งหลายทั้งปวงที่ได้สร้างกันไว้ทำกันไว้ก็เป็นโอโหสี่กรรมกรรมให้ผลสำเร็จแปลว่าตามไม่ทันนี่แหละในหลักของพุทธศาสนา กรรมเวรมันมีจริงเะอไปทำกรรมชั่วกรรมชั่วอย่าทำเสียเลยดีกว่าเเมื่อทำกรรมชั่วแล้วกรรมชั่วจะตามให้ผลเมื่อภายหลังเวรกรรมจะตามให้ผลเมื่อภายหลังเพราะนั้นรู้ว่าสิ่งไหนที่เป็นชั่วเสียหายบาปกรรมอย่าทำนะในห ล, ะหลักของพุทธศาสนาเพราะนั้นขอให้พวกเราเชื่อกรรมเชื่อผลของกรรมทำดีได้ดีทำชั่วได้ชั่ว บาปบุญกุลโทษมีจริงนรกสวรรค์มีจริงตายแล้วไม่สูนตายแล้วเกิดอีกสิ่งไหนที่ให้เกิดนั่นคืออะไรก็คือวิญญาณคือใจที่มันแตกตายนะคือร่างกายแต่ร่างจิตใจนะั้นไม่ตายไม่มีปลาชา้าใจไม่มีป่าชา้าร่างกายเนะี่ยเหมือนกับรถวิญญาณหรือใจเหมือนกับคนขับรถเมื่อรถมันหมดสภาพ คนก็ต้องออกจากรถไปหาหซื้อรถคันใหม่ามาใช้ต่อเองนี่แหละอันนี้คือใจตะวันในวัฏฏะสงสารแต่ถึงยังไงจึงจะมีหนทางพระพุทธเจา้ามีหนทางนะมีหนทางที่จะไม่ใหเมาเวียนไหวตายเกิดมีอยู่ใพวกท่านถึงศึกษากันแล้วกันดังพระพุทธเจา้าท่านจึงให้ธรรมะท่านไปค้นคว้าศึกษา หนทางท่านค้นคนว้าศึกษาของทางอยู่หกปีเมื่อท่านไดห้หนทางแล้วท่านก็มาแนะนำสั่งสอนพวกเราตั้งแต่ให้ทานรักษาศีลภาวนามันเกี่ยวกันทั้งหมดสรุปแล้วเหมือนกับมันเป็นเครือข่ายมันเป็นลูกโซ่ลักษณะอย่างนั้นนะถ้าว่าคนไม่มีน้ำใจไม่มีเมตตา แล้วจะมีคุณธรรมศีลธรรมขึ้นได้อย่างไรถ้าคนไม่มีศีลไม่มีความไม่มีเมตตาในจิตใจจะมีทมได้อย่างไรเหมือนกับต้นไม้ถ้าหาว่าไม่มีเปลือกจะมีแก่นได้ยังไงมันพูดแต่เรื่องแก่นอย่างเดียวไม่ได้มันต้องพูดถึงกัะพี้ด้วยพูดถึงเปลือกด้วยแล้วก็การบำรุงรักษาต้นไม้ที่จะให้มันเป็นแก่น เขาปลูกยังไงเขาทํำยังไงมันต้องมีมีเหตุชะก่อนมันจะค่อยมีผลมาตามลําดับลําดับนี้ก็เหมือนกันก่อนที่พระพุทธเจ้าจะได้ตัดสรุปเป็นพระอนุตตรสัมมาสัมโพธิญาณท่านบําเพ็ญมาอย่างไรเราต้องศึกษาทึงเนี่ยออศึกษาในพุทธประวัติออในชาดกประวัติหรือจริยะประวัติของพระองค์จริยะคือการ การดําเนินชีวิตของพระ อ, องค์มาเป็นมาอย่างไรก่อนที่พระพุทธเจ้าเด็กจะได้ตัดทรู้เนี่ยพระอนุตตรสัมมาสัมโพธิญาณมีความเป็นมาเป็นไปทั้งมีเหตุมีผลในการที่จะได้ถึงจุดนั้นอย่างพวกเราท่านทั้งหลายผู้เหมือนกันนะนพวกเราเกิดมาพบพนิชาตินี้ไม่ใช่ว่าเกิดมาโดเดเกิดมา ช, ชาติเดียวเท่านี้ไม่ใช่มีอดีตจะชาติเหมือนกั น, นแต่ถ้าว่าท่านผู้รู้ มียานรัศนะท่านก็รู้ได้มองเห็นได้แต่เอาเถอะพวกเราเมื่อได้ตัดสรุ้เป็นพระรหันต์ในศาสนาของพระพุทธเจ้าองค์ใดองค์หนึ่งเราก็มียานรัศนะมองดูเลยท่านอันดีตชาติของตัวเองเนะี่ยยาวเยียดเลยท่านเหมือนกับพวกเรามานั่งอยู่นาที่นี่แหละท่าอหลวงพ่ออายุเท่าไหร่เนี่ยอายุหกสิบแปดหกสิบเจ็ดหกสิบแปดปี แล้วนึกย้อนหลังล้วสิเออสิบหกนันเป็นยังไงหกสิบห้าเป็นหกสิบสี่หกสิบสามหกสิบสองไล่ไปจนถึงจําความได้อันนั้นแหละคืออดีตความเป็นมาอย่างไรรุ่มรุ่มรอนรอนสูงสูงต่ำา่ทุกทุ ก, กากยาเก็บเจ็บป่วยปว ย, ปวยมีความสุขสลับขลนปนเปกันแต่ในชาตินี้เราก็ยังหลงยังลืมไม่รู้เท่าไหร่เท่าเท่าไร นัน่อันนี้ก็คือชาติหนึ่งแต่ก็ชาติที่แล้วนี่อีกชาติก่อนอีกนั่นแหละอดีตชาติแต่อนาคตอันทางว่าเราไม่ภาวนาไม่ชําระจิตใจของเราให้หลุดพ้นนะเราก็จะต้องเกิดอีกในภพหน้าชาติหน้าอีกเอกลุ่มรุ่มร อ, อนไปสูงสูงต่ำต่ำไปทุกๆจากอยากไปลำลำรวยรวยสวยสวยงามงามขี่ล่ขี่เละกระกันไปน่ะ จนกว่าจะชำระใจให้หมดจดจากกิเลสให้พ้นทุกในวัฏฏะสงสารนั่นแหละถึงแดนอมตะธาตุอมตะธรมรมอย่างที่พระพุทธเจา้าพระาราหันตสาวกทั้งหลายที่พ่อแม่ครูบาอาจารย์ที่ท่านแนะนำสังสอนพวกเราพวกเราต้องศึกษาสรุปแล้วต้องเรียนต้องรู้ต้องศึกษาและต้องปฏิบัติ ด, ด้วยไม่ใช่ว่าเราไม่รู้ ถ้าเราไม่เรียนเราจะรู้ได้ยังไง mm. เราไม่เรียนภาษาจีนเราจะรู้ภาษาจีนได้อย่างไรเรามีเรียนภาษาอังกฤษเราจะรู้ภาษาอังกฤษได้อย่างไรถ้าเราไม่เรียนธรรมะทำคําคสอนเราไม่ศึกษาเราจะรู้ได้อย่างไรสรุปแล้วก็คือต้องเรียนรู้ต้องศึกษาวิชาแต่และขแขนงอรับพรอ น, อนโมทนาให้พร